บุกทู66สซามสุซตสตาเอกสสับพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่งกุทวนิเลบิทีนัทสวัลสาเเลบิปีรเลิกุนิเลบิทีนัทสวัลซาเคเลบิเอริ ผมของผมเมชมิเมชมิผมหากุญแจของผมไม่พบชาาเบชมส์กาซาเก็บส์เวร์ปลบเชมส์กาซาเก็บส์เวร์ฟโปลุบผมหาตัวรถของผมไม่พบชเชมสาา์ปิลทส์เวรุ เช็มส์บิเล็ตส์วันวิปลบคุณของคุณเชนเชนี่เชนเชนี่คุณหากุญแจของคุณเจอไหมอีโอเวเชนี่กาซาริบีอีเวเชนี่กาซาริบี คุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหม Ipoveshnibility. Ipoveshnibility. เขาของเขา Is m i s s i Is m i s s i คุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน Itzi sadaris Missy gasagibi. อิตซีซาดาริสมคุณทราบไหมว่าตัวรถของเขาอยู่ที่ไหนอิตซีซาดาริสมิซบเลอิตซีารเลธอของเธออิสมิซีอิสคาลีมิซี เงินของเธอหายมิสิูลิาร์กากมิสิูลการก์กาและบัตรเครดิตของเธอก็หายด้วยดามิสิรดิตาราิดาร์กาดามิสิกรดิตาราิกเราของเรา ชเวนชเวนีชเวนชเวนีคุณปู่คุณตาของเราไม่สบายชเวนีบาบัวอาวดอาริสชเวนีตาปัวอาวดอาริสคุณยา่าคุณยายของเราสุขภาพดีชเวนีเบบิอาจานมรเทลลาดาริส แบบจานมทลอริสคุณหนูของหนูเวนเทททเณ น, เนเีเด็กๆคุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหนปาวชเวโปซาดาริสทวเนีมามกปาวชเวโา อาริสทเณนมมกเด็กๆคุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหนพาฟเวโปซดอริสทวเณนเดดิโกพาฟเวโปซดอาริสทควเเดดิโก